บัณฑิตจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในพูดถึงเรื่องมารคือผู้เป็นอุปสักค์ทำลายหรือผู้ค่าซึ่งพูะเจ้าทรงจับแนกแสดงไว้เป็นห้าประเภทด้วยกันถึงสระมองในแง่ของตัวเหตุจริงๆแล้วแต่ละอย่างนั้น ก็สืบเรื่องมาจากกิเลสด้วยกันทั้งนั้นตอนนองใกล้ๆกับความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลวนแล้วแต่สืบเนื่องมาจากสมุ ท, ทัยมีตัณหาสามประการเป็นต้นทั้งนั้นเปลี่ยนได้ว่าอาการของสิ่งเหล่านี้ก็ทยอยกันมาโดยดํามดับ ถึงจุดหนึ่งก็สามารถแสดงอาการออกมาในลักษณะหนึ่งได้แต่ในจุดนันเองก็กลายเป็นมานเป็นตัวขัดขวางเป็นอุปสรรคเป็นตัวทําลายได้ตามสมควรแก่กรณีดนนันั้นมานที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลาดับนั้นคือกิเลสมารได้แก่กลุ่มพวกกิเลสทั้งหลายที่กล่าวโดยสรุปก็คืออาการที่เกิดขึ้นภายในจิตแล้ว สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตออกมาใน3ลักษณะใหญ่ๆตระหนึ่งก็คือการปล่อยคว้าปรารถนาต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นลักษณะเดิมก็คือปฏิเสธหรือผลักออกด้วยความไม่พอใจไม่ยิน ด, ดีในสิ่งนั้นอีกนนหนึ่งก็คือเกาะคุมยึดเอาไว้ด้วยความไม่แน่ใจด้วยความสงสัยยังตัดสินใจอะไรรงไปไม่ได้ จกกิเลสมารก็กลายเป็นขันธมารมันคือเ็นจขันอันเป็นตีตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นของบุคคลทั้งหลายพันขันธจะหนักหรือไม่หนักมันก็อยู่ที่เราไปแบกไว้มากหรือว่าไม่แบกไว้ไรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางในโอกาสนั้นๆได้ภาระในการแบกหามก็จะน้อยลงพัะความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากขันธจึง อยู่ที่จิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห่านั่นเองประการที่สามเรียกว่าอาภิสังขารมานันมันอาคืออภิสังขารโดยเนื้อหาจริงๆแล้วก็หมายรวมหมดทั้งบุญทั้งบาปและทั้งผลพัฒนาการทางจิตระดับที่เป็นอรูปฌานแต่โดยทั่วไปแล้วระดับสามัญชนก็หมายถึงบาป บุญในแง่ของสังสารวัตรแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งพํานักของผู้บาเพ็ญบุญแต่การมองว่าเป็นมานั้นโดยการมองอีกระดับหนึ่งคือระดับที่ผุ้คลผู้นั้นต้องการจะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ซึ่งการจะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์รือบรรลุผล น, นิพพานนั้นจะต้องละได้ทั้งบุญทั้งบาปแต่ยังมีบุญมีบาปอยู่ก็จะตะนํานําไปสู่สังสารทุกข์ เพราะในช่วงนี้บุญเองก็กลายเป็นตัวยึดเป็นตัวเหนียวบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้บรรลุมรรคผลสูงสุดในทางศาสนาได้เรียกไปเป็นมารระดับสูงและการต่อไปคือมัตจุมนามานคือความตายซึ่งว่ากันตามความจริงแล้วก็เป็นสรบาวทุกข์เป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลาย แต่ถ้ามองในแง่ที่เป็นมานั้นคือจุดเด่นชัดได้แก่การที่บุคคลผู้นั้นมีความพร้อมที่จะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและความตายก็มาตัดรอนบุคคลนั้นเสียในช่วงนั้นเพราะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโอกาสที่จะได้ทําความดีในระดับนั้นๆก็ถูกตัดรอนลงไป ท่านจึงถือว่าเป็นมารคือเป็นตัวล่างผลาญในตัวกัดขวางเนตัวทำลายที่เราเรียกกันอีกทีหนึ่งว่าพยามัจจุราชสมหมาความเจ้าแห่งความตายที่จะต้องตรอนชีวิตของบุคคลในจุดนี้เนื่องจากเป็นสภาวทุกขพุทธานาวก็สอนในแนวของมรณสติคือให้ บุคคลตั้งสติระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านั้นดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไรานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะป้องกันแก้ไขอะไรได้แต่ว่าบุคคลสู้ไม่ประมาทสามารถใช้ช่วงที่เที่ยวแรงความเพียรพยายามสติสมัมปชัญญะยังมีอยู่ ประกอบกระทาบำําเพ็ญสิ่งที่ดีงามเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจตลอดถึงเสริมสร้างบา ร, รมีทําให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นภายในจิตสันดาลแห่งตนไม่อย่างต้องหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏก็จะมีพพชาติที่ประณีตมากยิ่งขึ้นมีความสุขมามกยิ่งขึ้นมีความทุกข์น้อยลงในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะทําให้บุคคลใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน มณัสติจึงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอกประการหนึ่งที่สรงสอนให้บุคคลพิจารณาไปบ่อยพิจารณาอยู่ส ม, ม่ำเส ม, มอพิจารณาอยู่ตึกตึมารประการต่อไปนั้นคือเทพบุตรมารโดยเนื้อหาจริงๆแล้วหมายถึงเทพบุตรที่เป็นผ่านซื้อคอยขัดขวางตัดรอนการกระทําความดีของบุคคลทั้งหลาย คนนี้มีคนข้องใจสงสัยกันอยู่เป็นนันมากเพราะว่าในชีวิตของตนเองก็ไม่เคยพบมานในลักษณะนี้คนนี้ท่านแสดงไว้ว่ามารนั้นก็มีเสนามานอยู่เป็นนันมากสำหรับชนคนทั่วไปแล้วพญามารก็ไม่ต้องออกโรงกอพ่ายแพ้ต่ อ, อบหนาาของเสนามมนมากกว่ามากอยู่แล้ว วานบางทีนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกรูปเสียงกลิ่นรสผดผักว่าเป็นบ่วงของมารคือเป็นเครื่องผูกของมารเรียกว่ามารบันธนาใยความจิตใจของบุคคลที่มีความกำหนัดความขัดเคืองเพราะประรบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเสนาของมาร ส่วนรูปเสียงกริรรถก็กลายเป็นเครื่องผูกของมารหรือเครื่องกรงขังของมารหรือพันธนาการของมานก็แล้วแต่จะเรีกในกรณีเช่นนี้ตัวพญามารเองก็ไม่ต้องออกโรงอะไรกัะลุกก้องทำงานก็สมเสร็จแล้วกร น, นีถ้าเรามองดูในพุทธประวัติคือจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพญามาราชิราชที่มาไปจนพระโพธิสัตว์ตลอดระยะเวลาหปี พระโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดคือก่อนจะออกผนวดจนถึงกับผนวดบําเพ็ญเพียรอยู่นั้นเทพบุตรมารจริงๆก็มาปรากฏอยู่เพียงสองครั้งเท่านั้นเองครั้งแรกก็คือตอนที่พระโพธิสัตว์ได้ตัดสินพระไทยจะเสด็จออกบรรพชาพญามารก็มาห้ามไว้ขอร้องไว้ ไม่ปรงออกไปบอกว่าอีกเจ็ดันก็จะได้เป็นประเจ้าจักรพรรดิแล้วจะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ครอบครองมหาสมุทรทั้งสี่ได้พระโพธิสัตร์เขาไม่ยินยอมคือไม่ยอมแพ้แพ้ต่ออำนาจของเทพบุตรมาเทพบุตรมานในที่นี้มาเป็นตัวเป็น ต, น, ตนมาจริงๆคือมาเป็นบุคคลจริงๆ พอหลังจากนั้นแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์ไปหลงทางในการประพฤติปฏิบัติลองผิดลองถูกอยู่ในสำนักต่างๆเป็นอันมากนั้นก็ไม่ปรากฏว่าพัญามานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประการใดเพราะอะไรเพราะเวลานั้นก็อยู่ภายใต้อำนาจของมานไปแล้วพัญามานไม่จําเป็นจะต้องไปขัดขวางตัดรอนแต่พระโพธิสัตว์ก็ตก อ, อยู่ภายใต้อำนาจของเขา อ, อ, อยู่แล้ว แต่เมื่อพระโพธิสัตว์ได้พิสูจน์ทดสอบการประพฤติปฏิบัติจนขมวดปมให้แคบเข้าว่าการเป็นเพียนเพื่อการจัดสรุนั้นจะต้องเริ่มต้นที่อนาปานสติกรรมฐานโดยเจริญเป็นสมาชิ ข, ขึ้นมาในดับต่างๆขบรนลูรูปฌานทั้งสี่แล้วจากนั้นก็จะยกจิตขึ้นสู่ ป, ปัสสนาคือยกนามรูปขึ้นสู่ ป, ปัจ ส, สนาพิจารณาตามกฎของปัจจัยลักแล้วก็จะสัสร้ เป็นพระพุทธเจ้าไมื่อวางแผนกำหนดทิศฐาในการประพฤติปฏิบัติแน่นอนแล้วพระโพธิสัตว์ก็เริ่มอธิษฐานพระไทยที่เราเรียกว่าจาตุรงค์ะมหาประธานคือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สีเป็นความเสียสละลักษณะที่มีทางเลือกอยู่สองทางแต่นั่นเองคือถ้าไม่จัดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องตาย ถ้าไม่ตายก็ต้องได้สัสรูเป็นพระหพุทธเจ้าคือไม่มีทางที่สามให้เลือกโดยทรงทิฏฐานว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกนระโดกก็ตามแต่ว่าพระองค์ไม่สัสรูก็จะไม่ลุกขึ้นจากอารสนะที่ต่างอยู่ดั้นเพราะในขณะนั้ น, น, น, น, นทุกท่านก็เคยนั่งสมาธิเคยบาเพ็ญเพียรตังกิจมาแล้วจะเห็นว่า มารที่ประจนพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นก็ไม่ได้มีเฉพาะเทวปุตมารแต่ก็มีพวกขันธมารคือทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากการนั่งอยู่ท่าเดียวไม่ยอมพลิกประสงงอธิษฐานพระไทยเด็ดเดียวก็เรียกว่าไม่ทำลายบรรลังคือไม่ทำลายการนั่งคู่บรรลังตั้งกายตรงตามแบบที่ใช้เจริญกรรมฐานขึน้น การนั่งในลักษณะนั้นถ้าไม่พลิกเลยมันก็เจ็บปวดทุกตรพานก็แสดงว่าขันธมารมันก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นรุนแรงจนเรียกว่าก็ใกล้ต่อมัจจุมานเข้าไปแต่ในนิกิเลสสมาเนี่ยปัญหาว่าเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงนั้นคือถ้ามองถึงหลักสภาพจิตจริงๆแล้วตอนที่ประโพธิสัตว์ขึ้นมาเป็นเพีย น, นั้นพรงได้บรรลุรูปฌานมาแล้ว รูปฌานั้นส ง, งบนิวรณ์ทั้งหประการได้เพราะกิเลสที่เกิดขึ้นกรมปใจของบุคคลนั้นจะปรากฏออกมาในหลักษณะเท่านั้นเองเมื่อลักษณะก็กลายเป็นนิวรณ์แต่นิวรณ์นั้นส ง, งบไปด้วยกมของฌานแล้วเพราะกิเลสจึงไม่ได้เกิดขึ้นในขนาดหนึ่งมาี่ประชนในครั้งนั้นจึงกลายเป็นเทปุตตมานจริงๆ คนในรุ่นหลังได้นํามาขีดเขียนขึ้นเป็นรูปภาพในลักษณะต่างๆแต่การเขียนรูปภาพนั้นที่จริงไม่ได้เขียนตามคัมภีร์ระดับประบาลีแต่เป็นการเขียนตามตำราตำรานในรุ่นหลังผสมผสานการจินตนาการของผู้เขียนก็แล้วแต่จะเขียนเอาแต่หมาความพยมายามที่มาประชดในคราวนั้นเป็นเทพบุตรบาลคือขัดขวางตัดรอนไม่ให้พระโพธิสัตว์ได้ศัสรูเป็นพระพุทธเจ้า แต่ในสุดพ ร, ร, ระพุทธเจ้าก็ได้ศัสรูเป็นพระพุทธเจ้าพญามารก็พ่ายแพ้ไปพระพุทธรูปปางนี้จึงเรียกว่ามารวิชัยแปล ว, ว่าผู้ชนะมารซึ่งมักใช้เป็นพระประธานในพระบูชสดทั้งหลายเช่นรูปพระพุทธเจเนสีเป็นต้นพระเวพุทธรูปก็เรียกว่าปางมารวิชัยในสงครามชะนะมารในครั้งนั้นแต่การจชนะมารในครั้งนั้นที่จริงเขาชนะหมดทั้ง5้ามารไม่ใช่ว่าเจาะจ ม, มานเฉพาะป่ายใดป่ายหนึ่ง หยังจากพวกกิเลสมารในตอนแรกก็ไม่ได้ชนะเพียงแต่สยบอำนาจของกิเลสเอาไว้เท่านั้นเองคนที่ชนะด้กกิเลสได้เด็ดขาดจะ ต, ต้องชนะ ด, ด้วยมัดคือบรรลุโซดาปฏิมากเป็นต้นไปกิเลสจึงจะขาดได้ในจุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าสามัญชนทั่วไปก็ทำได้แค่สงบหรือสยบอำนาจของกิเลสเรานั่นเอาไว้ในชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าไม่มีอะไรกระแทกกระทันใจรุนแรงกิเลสก็เป็นผูกขึ้น แต่ถ้าหากว่ากระแทกท่านใจรุนแรงตาบ่าก็แตกเกิดสิงก็แตกเหมือนกันและจากนั้นพญามารตนนี้เองก็มาว่แวอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆอย่างตอนที่พระเจ้าประทับอยู่ที่ต้นไสเชื่อจปานิโครธก่อนที่จะประกาศประถมะเทศนาพญามารก็ไปเข้าอ่อนวอนขอร้องให้พระพุทธเจ้านิพพานไปตน แล้วก็โปร่ไปเรื่อยๆซึ่งแสดงว่าเป็นตัวบุคคลที่ปรากฏเป็นรูปร่างและสามารถแปลงผันร่างกายตัวเองเป็นไปในลักษณะต่างๆได้เกี่ยวข้องอยู่กับคัมภีร์พระพุทธศาสนาระดับพระอราหันต์ทั้งหลายนี่มีอยู่เป็นอันมากพัญเถอุตมานเหล่านี้เมื่อกล่าวโดยอนุโลมก็คือคนพานทั้งหลาย ที่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนการกระทําความดีของบุคคลซึ่งอาจจะอาศัยการข้อผ่านสมาคมกันแล้วก็ทุกคนเหล่านั้นเชิญชวนชักชวนไปให้ออกนอกคันลองแห่งธรรมไปต่มงคลสูตรที่พระเจ้าทรงสอนไม่ให้บุคคลข้ผ่านทรงแสดงว่ามงคลชีวิตนั้นก็ต้องเรื่องีิการไม่ข้ผ่านถ้าข้ผ่านแล้วมงคลชีวิตมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่เพื่อจะให้เกิดขึ้นได้จริงๆก็ต้องข้อห า, าสภาะคงกับบันตินปพระเทอุตมานในที่นี้โดยในยะหนึ่งก็คือคนผ่านต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนความเจริญก้าวหน้าของบุคคลทใดๆถ้ามองจางจุดนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าในชีวิตของแต่ละคนนั้นจะเจอมารนประเภทนี้อยู่เป็นอันมาก บางทีอาจจะเป็นญาติสนิทพิษสหายด้วยกันก็ได้แต่อาศัยความทิ่ยัาความแข่งดีก็กลายเป็นมารก็ได้บางครั้งก็าอาจจะกลายเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดขึ้นกว่านั้นก็ได้จะกลายเป็นมารขัดขวางหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นคนทั่วไปที่มีความคิดหรือผลประโยชน์ขัดแย้งกันก็กลายเป็นมารมา ล, างลาังกการต่อสู้การไปเิญหน้ากับมารในลักษณะนี้ ถราองสังเกตวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นมานประเภทใดก็ตามพระเจ้าจะทรงยืนอยู่บนหลักของความดีแต่เช่นการประจนมานบนโพธิบัลลังก์ก่อนการสัสรูนั้นก็ทรงใช้บา ร, รมีธรรมทั้งสิบประการเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางตัณฑมานปรากฏเป็นตัวบุคคลขึ้นมาก็จะไม่ใช้วิธีการแบบโกโลก จะใช้วิธีการทางาศาสดาคือทางธรรมถ้าเขาปรารถนาจะทําความชั่วมามีการปฏิบัติการที่รุนแรงมีการดา่ามีการประหารมีการรุสร้ยมาเราก็พยายามห อ, อีกอกเลี่ยงที่ไม่กระทําอย่างเขาทำเพราะการทําเนวนั้นเป็นการแก้ปัญหาแบบสัตว์โลคทั่วไปแก้ปัญหาแล้วก็จะสร้างปัญหาทัพทวีมากขึ้น แล้วก็โทษที่เกิดขึ้นจากการกระทมในลักษณะนั้นไม่ใช่ให้เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแต่อยางให้โทษแม้ในอนาคตการอีกด้วยประการสำคัญในการระจนมานโดยเฉพาะคือเทพทบุตรปานจะต้องอาศัยปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบบุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องก็ภาสมาคมไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความ คนเรานั้นเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่คิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งได้ก็เรียกว่าเพราะอาศัยมารยาคือความไม่พูดเจ้าเล่ห์หรือว่าเสียแสงหรือว่าแข่งดีหรือว่าอวดดีหรือเกิดจากโลภะคือความโลภอย่างใดอย่างหนึ่ง อาการที่แสดงของบุคคลนั้นอาจจะมีลักษณะสงบส ง, งยมน่าเคารพนับถือแต่บางครั้งก็แฝงเร้นไว้ถึงสิ่งที่ตนต้องการสำนวนมาลีท่านใช้คำตีต่ภาษาไทยไม่ค่อยนำมาใช้ท่านเรียกว่าปาปิดโฉวคือปรารถนาลาบก เป็นลักษณะที่คติไทยเราพูดกันว่าปากปราไซใจเชือดคองมือถือศาสตร์ปากถือศีลปากหวานคนเปรี้ยวต่อหน้ามาพราบรับหลังตะโกอะไรลักษณะนี้ถึงหมายความว่าถ้ามองจากอาการภายนอกอย่างที่คติไทยเรามีอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่าข้างนอกสดใสข้างในตะทิ้งหนองถึงหมายความอาการที่ปรากฏในภายนอกนั้นน่าเคารพนับถือสวยงาม แต่าภายในจิตใจนั้นมีความคิดในทางไม่ดีในการแสดงหรือพูดออกมานั้นคล้ายๆจะดีอาจจะเป็นมิตรแต่จริงๆทั้งหมดนั้นจะมาโดยมุ่งหวังประโยชน์มุ่งทำลายมุ่งเป็นศัตรูมุ่งเข็นฆ่าบุคคลผู้นั้นต้องการสังเกตพิจารณาบุคคลหรือว่าข้อเสนอแนะของบุคคลข้อชี้แนะของบุคคลเป็นต้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่เนืงจากอาการของกิเลสนั้นเป็นอาการที่ยากต่อการแยกแยะว่าไอ้ตรงนี้เป็นอาการกิเลสเรื่องอาการของธรรมะ ก, กันแน่อย่าง ก, การแสดงความสงบสิ้นเหียมนั้นบางครั้งอาจจะเป็นธรรมะบางครั้งอาจจะเป็นอาการกิเลสก็ได้และบางทีเมื่อเทียบเคียงระหว่างอาการของธรรมะ ก, กับอาการของกิเลสนั้นอาการกิเลสอาจจะเรียบร้อยสวยงามน่าสงบสิเหียมมากกว่าได้ทงไป เพราะอะไรเพราะอาการเขาธรรมะนั่นเป็นธรรมชาติเป็นการเคลื่อนไหวโดยปกติของท่านศีลก็แปลว่าปกติธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมดาธรรมดาท่านก็เป็นยังไงท่าเคลื่อนไหวของท่านอย่างนั้นท่านไม่ได้สนใจตั้งใจที่จะให้ใครเคารพนับถือหรือไม่เคารพนับถือป็นลักษณะนิสยัยปกติกภาพราของท่านเป็นยังไงท่านก็เป็นก็ท่านอย่างนั้นยังได้เคยกตัวอย่างว่าพระสารีบุตร collision. ด้วยวาสนาที่ท่านเคยเกิดเป็นวานนอรมาในชาติก่อนสิ่งนแล้วมนก็ติดอยู่ในจิตสันดานท่านอย่างหนึ่งก็คืออิรียบทการเคลื่อนไหวไม่ค่อยจะเรียบร้อยบางครั้งอาจจะเดินข้ามร่องน้ำเล็กๆคนอื่นก็อาจจะเดินลุยไปแต่ท่านจะกระโดดเป็นต้น จนถึงรพระนําไปกราบทูลพระพุทธเจ้าตําหนิพระสารีบุตรพระพุทธเจ้ารับสารว่าเป็นวาสนาของเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นนะคือไม่ได้ทําด้วยเจตนาดีกรอบ ด, ด้วยกิเลสหรือความขนองกายแต่ประการใดแต่ว่าเป็นวาสนาท่านเป็นเขาท่านอย่างนั้นเสื่อการเหล่านี้จะไม่มีแก่ผู้ใช้มารยาหรือเสียแซงหรือโอ้อวดหรือแข่งดีหรือว่ามีโลภเจตนา ต้องการได้ผลประโยชน์อย่างไดอย่างหนึง่งตอนหน้าก็สงบสุขเงียบเรียบร้อยแต่รับหลังวางแผนคิดไรรได้ประการต่าง ๆ, ๆนั้นในกรณีเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้บุคคลพรีพรามในการตัดสินใจให้การเคารพนับถือแก่บุคคลโดยทรงสอนเป็นสูตรเอาไว้ในความว่า พิจารณาเทียบเคียงโดยรอบๆแล้วให้ความเคารพนับถือแก่บุคคลผู้ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทําที่ควรแก่การเคารพนับถือแต่การที่ดูการกระทำของเขานั้นก็ดูค่อนข้างยากแต่นั้นจึงทรงสอนว่าความเป็นผู้มีศีลนั้นจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกัน และจะต้องอยู่ร่วมกันนานๆคนสังเกตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ซึ่งหมายความแม้จะอยู่ด้วยกันแต่ขาดการสังเกตการพิจารณาการเทิยบเคียงก็ไม่อาจจะรู้ได้ แต่แม้จะอยู่กันนานๆก็ต้องอาศัยการสังเกตการพิจารณาที่เคียงทดสอบโดยประการต่างๆจึงจะรู้ได้ว่าท่านผู้นี้มีศีลจริงหรือไม่ความสะอาดจะรู้ได้ที่การงานแต่จะต้องอาศัยเวลานานต้องอาศัยการสังเกตจริงจะรู้ไม่สังเกตก็ไม่รู้คือไม่ได้มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ เธอปัญญาจะรู้ได้เพราะการสนทนากันแล้ต้องสนทนากันนานๆจะต้องพิจารณาเทียบเคียงจรงรู้ถ้าไม่พิจารณาเทียบเคียงก็จะไม่รู้แต่นั้นจะเห็นได้ว่าในพวกกลุ่มของเทพบุตรมานั้นที่จริงเราดูยากดูยากกว่ากิเลสมานเพราะมันเกิดที่จิต รู้ยากกว่าขันธ์มานพรามันเกิดที่ตัวเรารู้ยากกว่าวิสังขารมานเพราะามันเป็นบุญเป็นบาปที่เกิดขึ้นในการกระทำของเราเองรู้ยากกว่าความตายเพราะความตายที่จริงแล้วมันก็ก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะไม่มีลี้ลับไม่มีเล่ห์มายาแต่ประการใดก็ตายก็ตายแตย่นั้นเอง แต่ว่าคนที่มาในลักษณะมานั้นจะดูได้ยากเรานี้ลองสังเกตว่าสมมุติว่าคนจะเข้ามาประพฤติ้ายเรามีกิริยาท่าทางถือไม้ถือมองหน้าตาถ้ามึงถึงมาแสดงอาการกิริยาให้เห็นเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะป้องกันตัวง่ายต่อการที่จะหลบหลีก เพราะแสดงออกมาตรงๆหมายความว่าเวลานั้นเขาคิดอย่างนั้นก็ต้องการทําอย่างนั้นก็ได้พูดอย่างนั้นแล้วมันก็ระบัดระวังได้แต่บางการณีก็ยิ้มมาตีเรียกว่าซ่อนดาบในรอยยิ้มเป็นการยากที่จะตัดสินวินิจฉัยว่าเขาเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูนั่นการมองสิ่งเหล่านี้แม้แต่ตัวพยาบาลเองที่ มาหลอกลวงพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งแกก็ไม่ได้มาในรูปมารแต่เกยมาในรูปมิตรทุกทีเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระญาตจะรับสั่งทักซะก่อนทุกทีป่าปิมะดูกอธมารผู้มีบาปจะขึ้นอย่างนั้นทุกทีมารก็จะละอายแล้วก็หนีไป แต่รูปแบบที่ปรากฏหรือภาพลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏนั้นจะปรากฏเป็นมิตรสาหาไม่จะปรากฏเป็นรูปร่างของสัตว์สูเป็นเจตนาของผู้หวังดีอาทรห่วงใ ย, ยต่อพระพุทธเจ้าเช่นตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อจบาในโครธก่อนจะตัดสินไทยหลังจะตัดสินพระทยัยว่าจะแสดงธรรมแก่ชาวโลกพญามาก็มากราบทูลพระพุทธเจ้า คือข้อความต่างๆที่ท่านกราบทูลแสดงว่าท่านหวังดีท่านหวงใจท่านอดทนต่อการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าการใช้ชีวิตของพระพุทธเจ้าเราสั่งบ้าโปร่งก็เหน็ดเหนื่อยม า, มากแล้วแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายต่างๆจนได้สัตว์รูพราะงั้นภารกิจส่วนโปร่งก็เสร็จแล้วไม่น่าจะต้องดํารงวชนอยู่ทรมานผรกรากาย ในแต่ละความลำบากที่อดเสด็จไปสั่งสอนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆควรจะผ่านไปได้แล้วเพราะภารกิจที่ควรจะทําก็ทําเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราลองตั้เกจว่าคำพูดําจาต่างๆของท่านนั้นเป็นเรื่องของหวังดีถ้ามองไม่ลึกซึ้งือตัดสินใจเอาเฉพาะตรงนั้นมาก็ต้องคอยตามท่านคอยตามท่านถ้มุ่งรับคอยตามก็โลกก็ไม่มีพระพุทธเจา้า พลันมาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นป็นสังเกตว่าเขาไม่ได้มาในรูปศัตรูแต่เขาจะมาในรูปมิตรสิ่งที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือกิเลสที่มาเกิดขึ้นภายในใจเวลาแกจะทำหน้าที่ขัดขวางตัดรอนไม่ให้เราทำความดีนั้นแกจะแสดงอาการเอื้อทอนห่วงใยต่อสุขภาพพลานามัมายความเหนื่อยยากลาบากการสูญเสียเวลา โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราแก่แกกระสิบใจเรียกว่ากระสิบใจจะให้ผลดีๆเท่านั้นเพานคนจึงมักจะไหลาตามมักจะคล้อยตามเพราะรู้สึกว่าความคิดอย่างนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของกิเลสเป็นความคิดที่ดีมีความบวงใหญ่มีความเอื้อถอนต่อ ต, อตอนเองการปรากฏของพยามาณเองก็มีลักษณะอย่างนั้น ที่นิมานคือบุคคลทั้งหลายที่มาในรูปของมิตรก็ดีก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันปัญหาพระยามานใหญ่ก็คงจะไม่น่ากลัวอะไรเท่าไรปัญหาที่น่ากลัวเวลานี้คนส่วนใหญ่มักจะกลัวผีหลอกแต่จริงแล้วเกิดมาชาติหนึ่งก็ยังไม่เคยเจอผีหลอกแต่เจอคนหลอกมากที่สุดนั่นสิ่งที่น่ามองก็คือคนหลอก คนที่มาด้วยรูปลักษณ์อย่างหนึ่งมาด้วยรูปของความเป็นมิตรสนิทสนมเ อ, อือ้อธรห่วงใยจนเราเกิดคล้อยตามหว่นไว้ตามแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่บุคคลเหล่านั้นบางครั้งบัคา้าวจะเจอว่าอาการแสดงออกเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมะแต่เป็นเรื่องของมายาเป็นเรื่องของหลอกลวงเป็นเรื่อ ง, องการเสียแซงเป็นเรื่องของการแข่งดีเป็นเรื่องของความโลภระวังประโยชน์รแรงต่าง ผลเสยหายก็จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความรุนแรงออกมาในลักษณะต่างๆได้พันการประจนมานที่ดีที่สุดก็คือการใช้ปัญญาที่มีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะเอาชนะมานยังไงพระพุทธเจ้าบอกใช้อาวุธคือปัญญา พึงชนะมารด้วยอาวุธคือปัญญาทุกเรื่องจะต้องใช้การสดส่องการพินิจพิจารณาจากปัญญาเป็นตัวการสำคัญจากแย่ชัดเจนอคนทังนั้นเหล่านั้นเมื่อเห็นว่าเขาเป็นผ่านแล้วก็หลีกเว้นไนห่างไกลที่จใช้คาว่าเหมือนคนเดินทางหลีกเว้นขนทางที่มีภัยหรือว่าไปเจอสรพิษก็หลีกสรพิษจะนัน การปฏิบัติตนของบุคคลผู้มีปัญญารู้เท่าทันถึงพวกมารทั้งหลายก็จะสามารถช่วยรอดปลอดภัยปลอดอันตรายจากมารเหล่านั้นได้ตามสมควรแ ก, ก่กระปังความสามารถแห่งตนต่อจนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป